คติที่ได้จากเรื่องนี้คนสมัยทุกวันนี้มักจะคิดว่าการบรรลุมรรคผลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะถือว่าสมัยหรือระยะการที่คนเราจะได้บรรลุมรรคผลนั้นได้ผ่านพ้นมาแล้วบ้างก็ถือว่าคนทุกวันนี้กิเลสหนามากและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ก็มีแต่จะย่อยุให้คนทั้งหลายมีกเกลียดหนาขึ้นถึงแม้ว่าการบรรลุมรคผลจะไม่ขึ้นกับการเวลาก็ตามแต่เนื่องจากคนทุกวันนี้เป็นดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะบรรลุมรคผลได้และอีกประการหนึ่งคนเราบรรลุมรคผลได้จริงก็ไม่มีปรากฏที่ไหนให้เห็นชัด พอที่จะทำให้คนทั้งหลายเชื่อถือได้ว่าพระอริยบุคคลหรือพระอรหันได้มีอยู่และบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนในทางปฏิบัติก็ไม่มีใครแสดงตัวจะด้วยคำพูดหรือด้วยความประพฤติก็ตามที่จะทำให้คนทั้งหลายเกิดความแน่ใจว่านี่แหละคือพระอริยะบุคคลหรือพระาอารหัน เมื่อพระรหันก็ยังไม่ปรากฏในที่ไหนๆฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อว่าพระรหันหรือภริยาบุคคลจะมีได้ในสมัยนี้แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะไม่โต้แยง้งและไม่อธิบายถึงปัญหาที่กล่าวมาข้าพเจ้ามีความประสงค์ในที่นี้แต่เพียงว่าต้องการจะให้แง่คิดในทางปฏิบัติ สำหรับคนสมัยนี้ซึ่งใครจะปฏิบัติไปจนกระทั่งได้บรรลุมรคผลหรือไม่ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะข้าพเจ้าถือว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่ใช่เรื่องสําหรับคนทั่วไปตามความรู้สึกของข้าพเจ้ามีอยู่ว่าแม้เราจะปฏิบัติไม่ได้ถึงขั้นบรรลุมรคผลเราจะปฏิบัติได้เพียงไหนก็ตาม ทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ตัวเองทั้งสิ้นและเป็นประโยชน์อย่างชนิดที่ทําให้ตัวเองมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งด้วยข้าพเจ้ามีความรู้สึกเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะให้แง่คิดในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้คนบางคนที่ใครๆเห็นว่าประพฤติตัวไม่ดีความจริงเขาอาจจะเป็นคนดียิ่งกว่าคนที่ใครๆ เห็นว่าเป็นคนดีก็ได้ขอให้ดูตัวอย่างจากเรื่องพระองค์คุริมานบางคนทําความชั่วทั้งทั้งที่ใครก็รู้แต่ไม่ได้รับผลของความชั่วเท่าที่ควรอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วคนนั้นเป็นคนดีและด้วยอํานาจแห่งความดีที่เขาได้สะสมไว้ในชาติก่อนนั่นเองที่ได้แสดงตัวออกมาให้ปรากฏชัดแล้วว่า ความดีมีอำนาจยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแม้คนนั้นจะทำความชั่วถึงขนาดนั้นความดีก็ยงังคุ้มครองได้ซึ่งถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้ทำความชั่วเลยหรือทำแต่น้อยอำนาจแห่งความดีนั้นจะปรากฏผลออกมายิ่งใหญ่สักเพียงไหนข้าพเจ้าคิดว่าจากเรื่องของพระองคุณิมาน ได้ให้คติแก่เราในเรื่องนี้อย่างแจ่มชัดมากแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการมองดูชีวิตของคนจะต้องพิจารณาดูหลายแง่และแง่ที่ไม่ควรจะลืมไปนั้นขาดก็คือเรื่องชะตาชีวิตแต่การที่จะดูให้รู้แน่ว่าใครมีชะตาชีวิตมาอย่างไรตั้งแต่เกิดนั้นไม่ใช่ของง่ายนักหมอดูลายมือ หรือหมอดูดวงชะตาราศีหมอดูบุคลิกลักษณะถ้ามีความชำนาญพอและมีสถิติแสดงว่าทายถูกมากกว่าผิดก็พอจะเป็นที่พึ่งได้บ้างในเรื่องนี้แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังงมงายในเรื่องนี้คนอื่นจะดูเราอย่างไรอาจจะผิดพลาดได้ง่ายแต่ถ้าหากเราเรียนทำให้มีความรู้พอสมควร และพิจารณาดูนิสัยสัญญานของตัวจากหลักธรรมวิธีนี้อาจจะช่วยเรารู้จักชะตาชีวิตของเราดีกว่าวิธีอื่นข้อสําคัญอย่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองให้พิจารณาดูตัวเองจากหลักธรรมจริงๆโดยวิธีนี้แม้ท่านจะรู้ตัวอยู่ว่าความประพฤติบางอย่างของเราไม่ดีแต่ถ้าจะรู้ได้เองว่า ตัวท่านดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่าลืมว่าคนที่ทำความชั่วบางอย่างนั้นไม่ใช่คนสันดานชั่วเสมอไปอันนี้จะต้องพิจารณาให้ดี ท่านรู้ตัวว่าไม่ใช่คนสนดานชั่วก็อย่าได้กังวลกับความประพฤติชั่วของตัวเองเกินไปนักเพราะสำคัญขอให้เรายอมรับอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรารู้สึกตัวว่าไม่ดีนั้นอย่าได้หาเหตุผลมาลบลางว่าเป็นความดีอย่าหลอกตนเองและหลอกคนอื่นถ้าทําได้อย่างนี้แม้ท่านจะได้ชื่อว่ายัางกินเล่าเล่นการพา น, านัน เจ้าชู้มีเมียมากโกหกหลอกลวงคนอื่นอะไรทำนองนี้เป็นต้นตราบใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีก็มีวันที่จะเลิกได้มีวันที่จะกลับตัวได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพาโลมัญตี่านยังบันดิตวาปิเตนะโสคนพานที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพาน ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้พระองค์คุริมานในระยะแรกก็รู้สึกตัวได้อย่างดีว่าการฆ่าคนเป็นบาปและไม่ปรารถนาที่จะทําเลยแต่ด้วยอํานาจของชะตาชีวิตประกอบกับความเคารพเชื่อถือในตัวอาจารย์อย่างสูงและอยากได้วิชาด้วยจึงได้ทําให้หลงผิดไปชั่วระยะหนึ่งแต่แล้วก็กลับตัวได้ ด้วยการพูดเตือนสติสั้นๆและง่ายๆของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อท่านเห็นใครประพฤติตัวไม่ดีก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆการที่เราคิดได้เช่นนี้ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นไม่ปรากรำใครง่ายๆและอาจจะได้คนดีไว้ใช้จากคนที่มีประวัติว่าเป็นคนไม่ดี แต่อย่างไรก็ดีก็อยามากง่ายหรือคิดเอาง่ายๆว่าคนที่ประพฤติตัวไม่ดีมีลักษณะเหมือนพระองคุริมานมีมากในโลกโดยความจริงแล้วคนที่มีสดานต่ำมีมากแม้กระทั่งในหมู่ของคนทีใ่ใครเห็นว่าเป็นคนดีฉะนั้นอย่าเรื่องนี้ไปทำให้ตัวเองไข้เขว จนกระทั่งทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของคนชั่วได้ง่ายแง่คิดอีกอันหนึ่งก็คือคนทุกวันนี้มักจะเข้าใจผิดว่าทำดีอาจจะได้ชั่วทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้ซึ่งความจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยปลูกข้าวแล้วจะให้กลายเป็นถั่วหรือปลูกถั่วแล้วจะให้กลายเป็นข้าวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำดีย่อมได้ดีทั้งในด้านจิตใจและในด้านวัตถุทำชั่วก็เหมือนกันเรื่องที่จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าในการไหนไหนคนที่เห็นกลับกันเป็นเพราะคิดไปละเอียดคิดไม่ถี่ท่วนไม่คิดให้ตลอดสายเป็นพวกที่ดูหนังไม่จบเรื่องแล้วก็สันนิษฐานเอาเองถ้าท่านคิดว่า พระองคุริมาทำความดีมาตั้งแต่แรกทุกอย่างในสำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกแต่แล้วผลที่ได้รับคือถูกอาจารย์ใช้ลูกไม้หลอกให้ไปตายก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดว่าทําดีได้ชั่วแต่ถ้าคิดการให้ตลอดสายคิดกันให้ละเอียดจริงๆแล้วการที่พระองคุริมาเชื่ออาจารย์นั้นสาเหตุที่แท้จริง ไม่ใช่เนื่องมาจากความเคารพหรือความเกรงใจในตัวอาจารย์สาเหตุที่แท้จริงนั้นเนื่องมาจากบาปในชาติก่อนดลใจให้อาจารย์หลงเชื่อคำยุแย่ของลูกศิษย์คนอื่นซึ่งบาปกรรมอันนี้พระองคุริมาจะต้องชดใช้อีกเพราะฉะนั้นจึงทําให้ตนเองต้องหลงผิดไปและทําให้ต้องไปรับความทุกข์ทรมานอยู่ในป่าเสียชื่อ ต้องสูญเสียจากความสุขสะดวกสบายทุกอย่างที่เคยได้รับต้องคอยะจนภัยอยู่รอบด้านถ้าหากบุญในชาติก่อนไม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วพระองคุริมานจะต้องชดใช้นี่บาป ก, กรรมอันนี้ไปอีกนานมากจงพิจารณาดูให้ซึ้งแล้วท่านจะมองเห็นความจริงที่ว่าความดีย่อมต้องเป็นความดีอยู่ตลอดเวลา ความชื่วก็ย่อมจะต้องเป็นความชื่วอยู่ตลอดเวลาความดีเด่นของพระองคุลิมาลอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ุลิมาลไม่ใช่คนสันดานต่ำก็คือสิ่งใดที่ถ้ารู้สึกจริงๆว่าไม่ดีท่านจะไม่ยอมทําเป็นอนขาดและมีสัจจะมั่นคงมากในเรื่องนี้เมื่อตอนที่อาจารย์ที่สาปามโมก บอกให้ไปฆ่าคนให้ได้พันคนแล้วจะประศาทวิชาที่ชื่อว่าวิสนุกมนซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายให้นั้นท่านพยายามโต้แย้งอย่างหนักแต่ในเมื่ออาจารย์ใช้เหตุผลหวานล้อมจนกระทั่งทำให้องคุริมารเข้าใจผิดว่าการฆ่าคนไม่บาปจึงได้ตกลงรับปากกับอาจารย์ขอให้สังเกตว่าโดยธรรมดา พระองคุริมารเป็นคนมีปัญญาหลักแหลมแต่แล้วในที่สุดก็หลงเชื่ออาจารย์นั้นเป็นพระบาปกรรมในชาติก่อนโดนใจทำให้เกิดความมืดมัวซึ่งถ้าบาปอันนี้ไม่มีพระองคุริมารก็จะมองเห็นเหตุผลที่มาหาักล้างคำพูดของอาจารย์ได้ลำพังความอยากได้วิชาอย่างเดียวจะไม่สามารถทำให้คนอย่างองคุริมาร หลงผิดไปได้เป็นอันขาดข้อสังเกตอันนี้โปรดอย่าลืมเพราะฉะนั้นการที่พระองคุณิมาทิ้วฆ่าใครต่อใครจึงไม่ใช่เกิดจากส้นดานเยี่ยมโหดอย่างแน่นอนมีข้อที่ทชี้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกประการหนึ่งก็คือต่อมาภายหลังในเมื่อได้บาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนจากพระองค์และสานึกขึ้นมาได้ ว่าการฆ่าคนเป็นบาปแน่ก็ได้เลือกความประพฤตในทางนี้อย่างเด็ดขาดความอยากได้วิชาก็หมดสิ้นไปรวมทั้งความอยากได้ความดีหรือความสุขในทางโลกก็หมดสิ้นไปด้วยทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนหน้านี้ได้ตั้งความหวังไว้อย่างมากที่จะเอาดีทางโลกทั้งนี้ก็เพราะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้อย่างลึกซึ้ง เกิดขึ้นในขณะนั้นคือทำอย่างไรที่จะเปรื่องตนเองให้พ้นจากบาปเพราะรู้สึกว่าได้ทำบาปไว้มากเหลือเกินและเมื่อท่านตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไปแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆก็ไม่ทำแล้วท่านก็ไม่ทำจริงๆไม่เพียงแต่จะไม่ทำเท่านั้นท่านยังไม่โกรธและไม่เกลียดใครอีกด้วยไม่ว่าใครจะด่าจะว่า เจ้าก้อนอิด ก, ก้อนหินขว้างท่านอย่างไรก็ตามท่านยอมทนรับต่อเหตุการณ์อันนั้นด้วยใจที่สงบและสำนึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเท่าที่เขาทำเราเช่นนี้ก็เป็นการสมควรแล้วและยังน้อยเกินไปจนกระทั่งเปรียบเทียบกันไม่เลยเลยกับการที่เราเที่ยวไล่เข็นฆ่าใครต่อใครมาในคำภีได้เล่าถึงตอนนี้ว่า ท่านได้บวชแล้วไปบินธบาตถูกเข้าขว้างปาถูกเข้าดา่าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระราหารันแต่ท่านก็ทนได้ดังที่กล่าวมาอันหนึ่งข้อที่ว่าความตั้งใจของท่านเด็ดเดี่ยวมากนั้นจะเห็นได้ชัดจากเรื่องที่กล่าวว่าเมื่อท่านไปบินธบาตไปพบหญิงท้องแก่จนจะคลอดเดินอุ้ยอ้าย พอเห็นท่านเข้าก็ตกใจกลัวตลีตะลานวิ่งหนีท่านเห็นแล้วเกิดความสงสารจับใจเมื่อกลับจากวินทบาทแล้วก็ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ท่านกลับไปหาหญิงคนนั้นแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าววาจาว่าแม่น้องหญิงนับจำเดิมตั้งแต่เราเกิดมา เรายังไม่เคยมีความรู้สึกจงใจที่จะโปร่งชีวิตสัตว์ทั้งหลายเลยด้วยสัยจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจงมีแด่เธอและแก่ลูกในท้องของเธอด้วยพระองคุริมาลได้ทูลแย้งพระพุทธองค์ว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะผิดความจริงเพราะทุกครั้งที่คล้าใครต่อใครนั้นทำไปด้วยความจงใจทั้งสิ้น พ้าพเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเอาใหม่เธอจงพูดเช่นนี้แม่น้องหญิงนับจำเดิมตั้งแต่เราเกิดในชาติอริยะเราไม่เคยมีความรู้สึกจงใจที่จะปรงชีวิตสัตว์ทั้งหลายเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจงมีแด่เธอและแก่ลูกในท้องของเธอด้วยจงสังเกตว่า ท่านมีความซื่อสัสตย์ต่อตัวเองเพียงไรอะไรที่ผิดไปจากความรู้สึกอันจริงใจแม้แต่เพียงนิดเดียวท่านก็พูดไม่ได้ครั้งแรกพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นก็เพื่อจะให้ท่านได้เกิดความคิดว่าเมื่อเป็นพระสมณะสกยะบุตรแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่ปากกับใจต้องตรงกันซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่า เพื่อนเดิมของพระองค์ุลิมาลแม้ก่อนบวชก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพื่อต้องการที่จะส่งเน้นให้ท่านเกิดความประทับใจยิ่งขึ้นจึงได้ตรัสเช่นนั้นและเมื่อท่านแย้งพระพุทธองค์ดังกล่าวมานั้นแน่นอนเหลือเกินว่าย่อมทําให้พระองคุลิมาลเกิดความประทับใจว่าตนเองได้รับความชมเชยจากพระพุทธองค์ด้วยความชื่นชมอย่างยิ่ง และทําให้เกิดความมั่นใจในความดีที่ท่านมีอยู่ยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พูดสมัยว่าแม่น้องหญิงนับจําเดิมตั้งแต่เราเกิดในชาติอริยะซึ่งหมายความว่านับจําเดิมตั้งแต่เราได้บวชมานี้เราไม่เคยมีความรู้สึกจงใจแม้แต่น้อยที่จะปรงชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ความตั้งใจอันนี้ของท่านมีพลังสูงมากพระตัวท่านเองเคยบำเพ็ญสัจจะบารมีมาแล้วหลายร้อยหลายพันชาติจนกระทั่งสัจจะอันนี้ได้กลายเป็นพื้นอุปนิสัยที่แท้จริงของท่านขอให้สังเกตว่าคนบางคนในสมัยทุกวันนี้เอาคำพูดประโยคนี้ของท่านไปเสกน้ำมนให้ผู้หญิงกำลังจะคลอดดื่ม ซึ่งส่วนมากไม่ได้ผลเลยนอกจากผู้หญิงคนนั้นจะมีความเชื่อมั่นและแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยและอยู่ในฐานะที่จะคลอดไม่ยากเท่านั้นจึงจะได้ผลจึงทำให้เห็นว่าน้ำมนนันศักดิ์สิทธิ์ส่วนพระองคุรีมานไม่ได้ใช้น้ำเพียงแต่ใช้คำพูดอย่างเดียวแต่ผลปรากฏ เป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงคาดหมายไว้แล้วเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์คุริมานเป็นคนที่มีจิตตานุภาพสูงมาแล้วแต่กำเนิดและจิตตานุภาพอันนี้เกิดจากสัจจะบารมีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์คุริมานกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วกล่าววาจาเช่นนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงได้คลอดลูกออกมาได้ทันที โดยแม่ลำบากอะไรเลยนับจำเดิมตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยกลายเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางนี้ใครๆที่เคยเห็นท่านแล้วกลัววิ่งหนีนั้นต่อมาภายหลังปรากฏว่าไม่มีใครกลัวท่านเหมือนกับสมัยก่อนอีกต่อไปใครๆที่ได้เข้าใจท่านจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่า เข้าไปอยู่ใกล้เสือตัวใหญ่ที่เชื่องที่สุดและแน่ใจในความปลอดภัยของตัวเองเพราะรูปร่างบุคลิกลักษณะของท่านกมยำล่ำสันใหญ่โตน่ากลัวสำหรับผู้ที่พบเห็นใหม่ๆแต่เมื่อได้ใกล้คิดสักครั้งหนึ่งหรือได้ยินคำพูดจากท่านสักประโยคหนึ่งก็จะทำให้รู้สึกได้ทันทีว่าในใจของท่านนั้น เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมผู้ที่ใกล้ชิดจะมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือในขณะที่ตนเองได้อยู่ในที่เฉพาะหน้าท่านเช่นนี้ถ้ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้นท่านจะสามารถคุ้มครองได้เพราะความเมตตาปราณีที่รวมตัวอยู่กับจิตตานุภาพอันเข้มแข็ง ที่เกิดจากสักจจะบารมีมาตั้งแต่ในอดีตนั้นย่อมมีผลทำให้คนที่เข้าใกล้รู้สึกเช่นนี้เสมอและลักษณะเช่นนี้เริ่มปรากฏห้เห็นแล้วตั้งแต่วันแรกที่ท่านบวชถ้าพุทธเจ้าทรงทราบถึงคุณลักษณะอันนี้ของท่านดีจึงได้ทรงรับสั่งให้ไปหาผู้หญิงท้องแก่คนนั้นอีก สมมติว่าเราได้มีโอกาสยืนอยู่ในที่ใกล้ในเวลาที่ท่านเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นเราก็จะมองเห็นภาพได้ดังนี้ผู้หญิงคนนั้นพอเห็นท่านเดินเข้าหาก็รู้สึกกลัวตรีตรานอยากจะวิ่งหนีแต่แล้วก็ถอยไปได้ไม่กี่ก้าวสายตาจับอยู่ที่ดวงตาของท่านมองดูท่านด้วยความหวาดกลัวแต่แล้ว เมื่อท่านเดินใกล้เข้ามาเข้ามาความหวาดกลัวก็ค่อยๆหายไปหายไปพร้อมกับรู้สึกถึงความเป็นมิตรในตัวท่านยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งรู้สึกสบายใจและโล่งใจในที่สุดเพราะรู้สึกว่าในสายตาของท่านนั้นอ่อนโยนฉายแสงให้เห็นถึงความเมตตาปราณีที่มีต่อตัวเองอย่างสุดซึ้งและพอได้ยินท่านเ อ, อ่ยวาจา แม่น้องหญิงก็จะมีความรู้สึกคล้ายกับว่าตนเองกำลังอยู่ต่อหน้าพี่ชายแท้ๆและในเมื่อเห็นผลว่าคำพูดของท่านศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมจะเกิดความเรื่มใสายอย่างลึกซึ้งทีเดียวคตีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้จากเรื่องของพระองค์คริมานก็คือแม้ท่านจะเสียศีลแต่ก็ไม่ยอมเสียสัตว์ ซึ่งคุณงามอันนี้ได้ช่วยตัวท่านอย่างมากเสียศีลอย่าเสียสัตว์คำพูดประโยคนี้ถ้าไม่คิดดูให้ละเอียดก็อาจจะเห็นว่าเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันเพราะคนที่เสียสัตว์ก็คือคนที่เสียศีนคนที่เสียศีลก็คือคนที่เสียสัตว์แต่ความเป็นจริงคำพูดประโยคนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเพราะผู้พู ด, พด มีเจตนาจะแสดงว่าไหนๆก็จะต้องเสียศีลบางข้อเช่นปาณาติบาตหรืออธินนาทานเป็นต้นก็ขออย่าให้เสียศีลข้อที่สี่คือมุสาวาตคติข้อนี้จะเป็นใครกล่าวขึ้นมาก่อนเข้าไปเจ้าไม่ทราบแต่รู้ว่าเป็นคติที่จะยินผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วเสียศีล่ะเสียสัตว์ เสียชีพ์อย่าเสียสัตว์เป็นคติธรรมที่ยกย่องสัจจะทําไมจึงยกย่องข้อนี้มากกว่าข้ออื่นขอยท่านพิจารณาดูให้ดีคนที่มีสัจจะมั่นคงนั้นเป็นบุคคลที่มีโอกาสจะกลับตัวได้ง่ายและเป็นบุคคลที่แม้จะชั่วร้ายอย่างไรก็พอไว้ใจได้ส่วนคนที่ไม่มีสัจจะไว้ใจอะไรไม่ได้เลย คนที่ได้ชื่อว่าเป็นโจรแม้จะโหดร้ายสักเพียงไรก็าตามถ้าเป็นคนที่รักษาสัจจะ ย, ยิ่งกว่าชีวิตก็ยังมีคนนับถือเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคำพีที่จะกล่าวถึงเรื่องโจรกลับตัวเป็นพระราหันได้นานล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโจรเหล่านี้มีความดีในเรื่องสัจญานี้เข้มแข็งมาก และด้วยสัจจะนี้เองที่ทำให้โจรเหล่านี้กลับตัวได้ปัญหาสำคัญมีอยู่แต่เพียงว่าความประพฤติตัวเป็นโจร น, นั้นจะเกิดจากความจำเป็นในเรื่องการครองชีพหรือเกิดจากความพยาบามหรือจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือจะเกิดจากอะไรก็ตามถ้าโจรคนนั้นมีคุณธรรมแสดงออกมาเด่นชัดว่า แม้ว่าจะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัตว์แล้วก็มีทางกลับตัวได้ง่ายเพราะอะไรก็เพราะโดยธรรมดาคนที่จะมีอุปนิสัยสันดานประกอบไปด้วยสัตว์จะอย่างมั่นคงนั้นเพื่อนเดิมจะต้องเป็นคนที่เคยสร้างความดีไว้มากเพราะการทำความดีแต่ละอย่างต้องอาศัยสัตว์จะทั้งสิน้นฉะนั้น ถ้าคนไหนมีสัจจะมั่นคงก็ต้องแสดงว่าเคยสะสมสัจจะมานานแล้วไม่เช่นนั้นสัจจะจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้และถ้าสัจจะตั้งมั่นก็หมายถึงความดีอย่างอื่นต้องมีด้วยอย่างแน่นอนคนอย่างองคุริมานที่กลายเป็นโจรก็เพราะบาปกรรมในชาติก่อนยังไม่สิน้นและเพราะการเข้าใจผิด ขอให้จำไว้ว่าคนที่ถือว่าแม้ว่าจะเสียชีพก็ไม่ยอมเสียสัตว์และถือได้จริงๆนั้นถ้าหากเขาจะมีความประพฤติชั่วในบางอย่างก็ขอให้พิจารณาในแง่ว่าเป็นเพราะวิบากของกรรมในชาติก่อนยังไม่สิน้นและเพราะการเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าทรงทราบข้อเท็จจริงอันนี้ดีเพราะฉะนั้น ยิงยังไม่ทรงไปโปรดองค์ุริมาลตั้งแต่ในระยะแรกเพราะการแก้วิบากของกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆเหมือนกับเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้นไม้ให้ออกลูกก่อนถึงกําหนดฤดูกาลของมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากถ้าสมมติว่าพราะองค์จะทรงไปโปรดองค์ุริมาลเสียตั้งแต่ในระยะแรกที่ยังฆ่าคนได้เพียงไม่กี่คน ผลที่ใจได้รับก็คือพระองค์ุลิมาลอาจจะหยุดจากการฆ่าเพราะเชื่อในเหตุผลของพระพุทธองค์ที่ว่าการฆ่าคนเป็นบาปซึ่งข้อนี้พระองค์ุลิมาลจะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์จะไม่ทรงสามารถทําให้พระองค์ุลิมาลสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะพระองค์ุลิมาล เคยมีวิบากในทางปาณาธิบาตมามากพูดง่ายๆว่าได้สะสมนิสัยในทางนี้มามากคนที่มีวิบากในทางปาณาธิบาตมามากนั้นการฆ่าคนเพียงจำนวนเล็กน้อยจะไม่ทำให้เกิดความสำนึกถึงโทษได้อย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นทําให้จำต้องละความอยากในด้านอื่นๆทั้งหมด ซึ่งถ้ายังไม่ละความปรารถนาในด้านอื่นๆทั้งหมดก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จเป็นพราะราหารันแม้ว่าจะให้มีความแตกฉานในธรรมสักเพียงไรก็ตามพระองคุริมานฆ่าคนมามากและฆ่าโดยไม่มีเหตุผลอสมควรพบใครเป็นต้องฆ่าแม้จะเป็นแม่ลูกอ่อนหรือผู้หญิงท้องแก่หรือคนแก่ที่น่าสงสาร ก็ไม่เคยไว้ชีวิตเลยนั้นเพราะตั้งใจอย่างเดียวว่าจะรีบฆ่าค่าเสียให้ครบพันคนแล้วจะได้เลิกฆ่ากลับไปหาอาจารย์เรียนวิชาให้สำเร็จแล้วก็กลับบ้านไม่คิดจะฆ่าใครอีกต่อไปพระองค์ครีมานเมื่อท่านได้สติกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งท่านจะรู้สึกสังเวชในความหยาบคายของตน และมองเห็นโทษอันใหญ่หลวงรออยู่เบื้องหน้าทำให้ท่านไม่มีทางจะคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากทางเดียวคือต้องบวชและมุ่งลากิเลสให้หมดสิ้นโดยไม่มีเหลือเท่านั้นเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จไปในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำให้พระองค์ครีมาเกิดความสำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างล้นเหลือ โอ้นี่เราฆ่าคนอื่นมามากมายก่ายกองแล้วยังไม่พอเกือบเกือบจะต้องฆ่าแม่ของเราเสียแล้วแม่ผู้มีพระคุณอย่างสูงแม่ผู้ที่เราตั้งใจอย่างร้อนรนที่จะไปกราบในเมื่อเรียนสําเร็จแล้วโอ้พระคุณของพระพุทธองค์ใหญ่หลวงนะัก ท่าได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้ท่านจึงได้กล่าวทูลพระพุทธองค์ว่าเป็นเวลานานเหลือเกินกว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรดจำเป็นจะต้องนานอยู่เองพระพระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าชะตากรรมของพระองค์ุริมานจะต้องดำเนินมาในลักษณะเช่นนี้จึงจะได้สำเร็จเป็นพระราหารัน บางคนอาจจะคิดว่าพระพุทธองค์ทรงเพ่งแต่ในแง่ของพระองค์ปริมาณเกินไปไม่ทรงห่วงใยถึงชีวิตของคนจำนวนมากที่ถูกพระองค์ปริมาณฆ่าเพราะถ้าพระองค์จะเสด็จไปโปรดเสียแต่ในระยะแรกคนก็จะไม่เสียชีวิตมากบางคนอาจจะคิดเช่นนี้ได้ข้าพเจ้าขอเฉลยว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงรอ เพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ขลิมานไม่ปรากฏอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์อย่าลืมว่าพระพุทธองค์มีเรื่องที่จะต้องทรงกระทามากมายตามระเบียบของพระพุทธองค์วันนี้พระองค์จะต้องทรงทำอะไรบ้างหรือพรุ่งนี้จะต้องทรงทำอย่างไรบ้างไม่ต้องให้มีใครมาบอกและพระองค์ก็ไม่จาเป็นจะต้องทรงทาบันทึกไว คุทวิสัยชาณวิสัยทั้งสองอย่างนี้เป็นอจินไตเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากเมื่อใครถึงวาระที่พระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดผู้นั้นก็จะปรากฏอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์กล่าวคือจะเห็นภาพของผู้นั้นปรากฏในสมาธิจะถึงวาระของใครไม่มีใครรู้แม้แต่พระองค์ก็ไม่ทรงทราบมาก่อน จะทรงทราบก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงเข้าฌานเพื่อจะตรวจดูสัตว์โลกที่จะเสด็จไปโปรดถ้าใครถึงวาระผู้นั้นก็จะปรากฏให้เห็นในสมาธิอะไรเล่าที่บรรดาให้ผู้นั้นผู้นี้ปรากฏอยู่ในข่ายของพระยานไม่ใช่เรื่องที่พระองค์จะทรงกำหนดได้กรรมของผู้นั้นต่างหากที่จะบรรดาด้วยเหตุนี้ พระองคุลิมาจึงได้มาปรากฏอยู่ในข่ายแห่งทระยานของพระองค์ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่หน้าหวาดเสียวดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่บุญบา ร, รมีของพระองคคลิมาที่จะทําให้ท่านสําเร็จเป็นพระราห์ในชาตินั้นแล้วเราก็พูดไม่ได้เลยว่าอะไรที่ทําให้พระพุทธเจ้าเพิ่งจะเสด็จไปโปรดในตอนนั้น โปรดสังเกตว่าเมื่อพระพุทธองค์จะทรงเข้าฌานเพื่อจะตรวจดูสัตว์โลกนั้นพระองค์จะต้องทรงอธิษฐานว่าใครหนอในวันนี้ถึงวาระที่มีโอกาสจะได้บรรลุมรรคผลเมื่อพระองค์ส่งเข้าฌานด้วยการอธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วใครที่ได้สร้างบุญบา ร, รมีมาถึงขั้นที่จะได้บรรลุมรรคผลในวันนั้น ผู้นั้นก็จะปรากฏอยู่ในข่ายแห่งพระยานของพระองค์ข้าพเจ้าต้องการที่จะให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่สร้างกรรมในทางปานาติบาตมามากในบ้านปลายแห่งการบารรลุมรรคผลมักจะต้องมีชะตาชีวิตอย่างนี้เสมอแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าเขาไม่ได้สร้างแต่บาปกรรมอย่างเดียวนักรบที่ทําการฆ่าคน ด้วยอุดมคติหวังจะยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกซึ่งโดยใจจริงแล้วไม่ปรารถนาจะฆ่าใครเลยแม้แต่สัตว์เล็กๆ ก, ก็ไม่ปรารถนาที่จะทำลายมันคนประเภทนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าในด้านอื่นๆเขาได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายทีเดียวพระมาหากษัตริย์แห่งชาติไทยในอดีต ได้ทรงเป็นตัวอย่างแสดงถึงความจริงข้อนี้ชัดเจนมากเสร็จจากศึกสงครามเมื่อใดหน้าที่ของพระหมหากริยัอันยิ่งใหญ่ก็คือสร้างวัดทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งและทรงพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อความสุขของอาณาประชาราษผู้ซึ่งพระองค์ทรงรักเสมือนหนึ่งลูกของพระองค์ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคนไหนสร้างบาปไว้น้อยสร้างแต่ทานศีลภาวนาเป็นส่วนมากชะตาชีวิตในตอนสุดท้ายมักจะออกมาในรูปอย่างแบบพระพุทธเจ้าแบบพระยศแบบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกล่าวคือชีวิตในชาติสุดท้ายนี้จะเต็มไปด้วยความฟื่งเฟยในด้านกามารมณ์ เพราะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายสำหรับคนที่ได้สร้างบารมีเหล่านี้ไว้มากซึ่งผลแห่งบารมีเหล่านี้จะทำให้สมบูรณ์ไปด้วยกามาคุณและหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ชั่วระยะหนึ่งก่อนเป็นพระราหารันซึ่งเมื่อมองอีกแง่หนึ่งก็เท่ากับเป็นการทำบาปในรูปที่สวยงามและจะต้องชดใช้บาปอันนี้ในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากได้มีนิสัยสันดานในทางนี้มากพระองค์โคลิมานต้องฆ่าคนมามากจึงได้สำเร็จเป็นพระราหารันพระพุทธเจ้าพระยศพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในชีวิตของคราวาลล้วนแล้วแต่ฟุ่มเฟือยด้วยกามารมณ์อย่างมโหฬารซึ่งในที่สุดก็ทำให้ความรู้สึกในทางกามารมณ์ ถึงจุดอิ่มตัวอย่างเต็มที่และทําให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นการตัดสินใจชนิดที่เรียกว่าไม่พึงปรารถนาอีกเลยชั่วนิรันดร์ไม่ว่าตามนั้นจะมาในรูปที่วิเศษสูงสุดสักเพียงไรก็ตามเนกขึ้นมาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแต่อย่างไรก็ดี ท่านผู้อ่านจะต้องไม่ลืมอย่างเด็ดขาดว่าคนที่จะสนึกในโทษของบาปหรือโทษของกิเรดได้อย่างลึกซึ้งนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นคุณธรรมสูงมากคนที่อบรมความดีหรือสร้างบุญบา ร, รมีไม่พอการทำความชั่วหรือการตำใจตัวในเรื่องกามารมจะไม่มีวันทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หรือเป็นโทษได้อย่างลึกซึ้งเป็นอันขาดอย่างดีที่สุดก็เห็นโทษหรือเกิดความเบื่อหน่ายชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองถ้าจะคิดว่าที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อว่าจะให้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วจะได้เลิกผู้ที่คิดเช่นนี้โปรดระวังให้มากเกลียดจะหลอกตัวเองเพราะเป็นไปไม่ได้ แม้จะให้ตามใจเช่นนั้นอีกสักร้อยชาติพันชาติก็จะถึงจุดอิ่มตัวไม่ได้ถ้าหากคุณธรรมหรือความดีต่างๆที่มีอยู่ในสันดานมีไม่พอท่านเข้าใจหรือไม่ว่าคนที่ทําบุญไว้มากก็อาจจะตกนรกได้เช่นอย่างพระนางมาริกาแต่ตกอยู่ไม่นานและคนที่ทําบาปไว้มากก็อาจจะขึ้นสวรรค์ได้ ในเมื่อเวลาจะตายเกิดจิตเป็นกุศลแต่ก็จะอยู่ในสวรรค์ได้ไม่นานเรื่องอย่างนี้ต้องพิจารณาให้ละเอียดไม่เช่นนั้นจะถูกกิเลสหลอกให้ต้องตกอยู่ในบาเยภูมิเป็นเวลานานแสนนานเหมือนกับพระเทวทัตชีวประวัติของพระองคุรีมานเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากแต่อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ถูกต้องตามความเป็นจริงและได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่านั้นจะต้องมีความเข้าใจในธรรมอย่างดีพอสมควรด้วยคติธรรมต่างๆจากเรื่องของพระองคุริมานอาจจะมีอีกหลายแง่ซึ่งผู้ที่มีปัญญายิ่งกว่าข้าพเจ้าก็คงจะมองเห็นได้เท่าที่ข้าพเจ้าอธิบายมานี้ เป็นเพียงการกลุยทางเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มองเห็นถึงสาระประโยชน์ที่จะพึงได้จากเรื่องนี้เท่าที่สติปัญญาของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้เท่านั้นรายการเสียงธรรมจากหนังสือเรื่องพระราชปุชฉาเรื่องเหตุใดผู้ร้ายฆ่าคนตายจึงเป็นผ้ารหาหันซึ่งเฉลยและเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ จบเพียงเท่านี้